กันตั้งใจให้ดีต่อไปนี้จะได้อธิบายธรรมะสู่ฟังสำรวมใจของตนให้ดีอย่านั่งหลับตาฟังลืมตาไว้คนขี้ง่วง พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสุวิชาโนประวังโหติผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญข้อนี้แหละเป็นกระทุธรรมสำคัญอยู่ข้อหนึ่งที่เราจะต้องมาวินิจฉัยกัน เพราะความรู้นั่นะมันมีอยู่ทุกคนแต่บางทีมันก็รู้ไม่ดีบางทีมันก็รู้ดีอย่างนี้แหละนี่การที่เราบวชกันมานี่บางคนก็ได้หลายพันษาแล้วบางคนก็เพิ่งได้พรรษาเดียว แล้วเราได้ประเมินดูไหมว่าตั้งแต่เราบวชมาปฏิบัติธรรมวินัยมาโดยลำดับได้ความรู้อะไรบ้างที่เป็นสาระแก่ตัวของตัวเองทำให้ตนเองมั่นใจในชีวิตของตัวเองอันนี้หมายเอาว่า ทางผู้ที่จะบวชอยู่ต่อไปหรือผู้ที่จะศึกษาลาเพศไปหมายเอาทั้งสองฝ่ายว่าฝ่ายที่ศึกษาลาเพศไปนั้นเมื่อได้เข้ามาบวชอยู่ในวัดอรัญญบัรพตนี่สามเดือนอ่น แล้วได้ความมั่นใจอะไรบ้างในพุทธศาสนานี้เห็นผลแห่งการบวชอย่างไรบ้างแตกต่างจากก่อนบวชกับเวลาบวชมาแล้วอย่างไรบ้างนี่เราต้องทบทวนเทียบเทียงกันให้รู้ก็ผู้บวชเข้ามาแล้ว ก็หวังว่าจะมาศึกษาธรรมวินัยคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราเริ่มใสเราเชื่อมั่นว่าคําสอนของพระพเจ้านี้เป็นเครื่องที่หนทางออกจากทุกข์ให้ได้จริงๆก็เราจึงได้ยอมสละบ้านเรือนออกมาบวชกัน <c oughs> ยอมสละรายได้ ต่างๆในทางโลกถ้าเราจะหาเงินหาทองมัน ก, ก็คงจะได้อยู่ไม่น้อยในช่วงระยะ3สามเดือนสี่เดือนเราก็ยอมสลักรายได้เหล่านั้น <c oughs> เมื่อเราสลักรับอันเป็นโลกีหรือว่ารับภายนอก เรามาแสวงหาซัพภายในแบบนี้อถ้าไม่สละซัพภายนอกนั่นก่อนก็ไม่สามารถที่จะมาแสวงหาซัพภายในคือความรู้ดีรู้ชอบในพุทธศาสนานี้ได้ความรู้ดีกับความรู้ไม่ดีมันก็เหมือนกันกันกบ กลางคืนกลางวันความรู้ไม่ดีนั่นเรียกว่ารู้ผิดทางเช่นรู้ไปตามกระแสของโลกเห็นโลกเขาเข่อไปอย่างไรก็นึกว่ามันเป็นผลดีนึกว่าไม่มีโทษก็ทำไปตามโลกเขาโลกเขา นิยมสังคมกันด้วยน้ำเมาด้วยกันชายาฟินก็เลยเข้าใจว่าไม่มีโทษอะไรถ้าไม่ทำผิดกฎหมายบ้านเมืองแล้วเช่นนี้ก็กระโดดเข้าไปร่วมวงไพยบูนกับเขาอย่างนี้นะนี่เรียกว่าความรู้รู้ไม่ดี รู้ไม่ตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าจะว่าตามหลักธรรมะแล้วก็ท่านเรียกว่าโลกาทิปใจถือโลกเป็นใหญ่โลกได้แก่หมู่มนุษย์ที่อาศัยอยู่ในพื้นแผ่นดินนี้ไม่ได้หมายเอาแผ่นดินต้นไม้น้ำหินทรายกรวดอะไรหรอก หมายเอาหมูมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในพื้นแผ่นดินอันนี้คนบางคนเป็นอย่างนั้นแหละเมื่อเห็นคนหมู่มากนิยมอะไรเข้าไปแล้วโดยไม่ได้คิดไม่ได้ไตรตรองให้ละเอียดโดยว่าความนิยมเช่นนั้นน่ะมันให้คุณหรือให้โทษไม่ไม่ได้พิจารณาเลยเชื่อเอาเลยว่าต้องดีแน่ อย่างนี้แหละใ ห, ให้พึ่งสังวรไว้ความรู้อันขาดจากเหตุจากผลหรือว่าความรู้อันใดซึ่งเทียบกับธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ไม่ตรงกับคำสอนแล้วอันนั้นท่านเรียกว่ารู้ไม่ดีในทางพุทธศาสนานะให้เข้าใจเมื่อเรารู้สึกนึกคิดไปในเรื่องอะไร เรื่องว่าเราจะต้องการทำอะไระต้องการพูดอะไรอย่างนี้เราต้องนึกเทียบดูพระธรรมคำสอนเช่ก่อนว่าสิ่งที่เราคิดเห็นเรื่องที่เราจะพู ด, ดนั้นอ่ะมันตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ถือว่ามันตรงตามไปในทางที่ดีที่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นหรือไม่แล้วก็ต้องนึกเทียบเทียงดู นี่แหละการที่ท่านสอนให้เรียนธรรมะทำส อ, องพระพุทธเจ้านะก็เพื่อที่จะเอาไปเป็นตำราสำหรับเทียบกับความประพฤติหรือความคิดความเห็นภายในจิตใจของคนเราแต่ละคนนี่เมื่อเราไม่เรียนรู้ม่จำหลักธรรมะไม่ได้อย่างนี้เมื่อเกิดความคิดความเห็นอะไรขึ้นมาแล้วพวกจะเอาไปเทียบกับธรรมะอะไรก็ไม่ได้เลย าะไม่ไม่ได้จำไว้เป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เลยทำเป็นคนป่าคนเถื่อนไปทั้งที่ได้บวชเข้ามาแล้วทำไม่รู้ไม่ชี้อะไรไปเลยอย่างนี้มันน่าเสียดายการที่เข้ามาบวชเรียนในพุทธศาสนานี้น่าเสียดายเวลา เรียว่าเอาเวลามาทิ้งเปล่าๆไม่ได้ความรู้อะไรติดตัวไปถ้าหากว่าเราได้ความรู้ในทางทำทางวินัยคําสอนของอุตตเถรเจ้าติดตัวไปมันก็อุปมาเหมือนอย่างบุคคลผู้มีกล้องสองทางเดินนั่นแหละเราจะเดินไปทางไหนถ้ามีกล้องสองล่วงหน้าไปแล้ว มันมีอะไรอยู่ข้างหน้าแล้วมันก็มองเห็นได้อพอเป็นทางที่ควรจะเว้นก็เว้นไปได้อันนี้ชั้นใจก็อย่างนั้นแหละเมื่อเรามีความรู้ในทางทำติดตัวไปอย่างนี้แล้วมันก็เป็นเครื่องป้องกันตนไม่ให้ประพฤติความชั่วไม่ให้ถือโลกเป็นใหญ่เราถือธรรมเป็นใหญ่ เพราะว่าโลกนั้นเอาแน่นอนไม่ได้ความเห็นของคนผู้มีกิเลสครอบงำอยู่นี่บางทีก็เห็นผิดไปบางทีก็เห็นถูกไปไม่แน่นอนแต่อย่างนั้นที่แน่นอนจริงๆก็คือธรรมะคาสอนของพุระเจ้าที่ท่านเรียบเรียงไว้เป็นแบบฉบับรับรองกันแล้วจึงได้พิมพ์ออกมาให้คุณระบุ หรือว่าผู้สนใจได้ดูได้เรียนได้จำเอาไว้นี่เมื่อเรามีธรรมะเหล่านี้อยู่ในใจแล้วไปไหนธรรมะก็ไปด้วยแบบนี้จะทำอะไรพูดอะไรก็นึกถึงธรรมะเป็นแบบฉบับเราก็ทำไปพูดไปตามธรรมะที่บอกว่าถูกต้องนั่นอย่างนี้นะโทษมนตินต่างๆทั้งทางโลกและ ทางรรมก็ไม่เกิดมีขึ้นทางโลกไอ้ทางที่ผิดกฎหมายอย่างนี้ก็ไม่มีถ้าไม่ผิดทำแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายแต่อย่างนั้นกฎหมายทั้งหลายก็บญญัติเอาออกไปจากครวมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี้แหละมุ่งความเป็นธรรมแก่สังคมนั่นแหละเรื่องกฎหมายเนี่ย <c oughs> เมื่อเป็นเช่นนี้นหะชีวิตของผู้ถือทาเป็นใหญ่นี่มันก็ดำเนินไปอย่างราบรื่นทีนี้ไม่มีเวรไม่มีภยัยไม่มีศัตรูมีแต่มิตรมีแต่สาหายมีแต่ญาติพี่น้องเพราะว่าการทำการพูดอะไรนะ่ะมันเป็นทางที่จะทำให้เกิดความปองดองสามัคคีกันในหมู่ในคณะ พูดถึงการกล่าววาจาที่เป็นศีลที่เป็นธรรมตามที่เราได้ศึกษาระดับตรับฟังมาเราก็ทำไปตามนั้นพูดไปตามนั้นถึงแม้ว่าจะไม่ร่ำรวยเงินทองเข้าของก็ตามแต่ว่าผู้ประพฤติธรรมมันมีความเป็นอยู่เป็นสุขสบาย ไม่มีศัตรูไม่สะดุ้งววาดกลัวว่าใครจะมาทำร้ายตนเพราะตนไปทำให้เขาเดือดร้อนอะไรอย่างนี้นะไม่มีเพราะว่ามีสติสมัสเญญิเสียงะระมัดระวังความประพฤตทางกายทางวาจาควบคุมจิตใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมสม่ำเสมอไปอย่างนี้มันก็ไม่ไปขัดกับใครเลย ไอ้พวกที่ข่าวถูกฆ่าตายอยู่หมู่นั้นน่ะเมื่อทบทวนดูเบื้องหลังแล้วก็มันโลภมากนั่นเองเนี่ยอยากจะร่ำรวยคนเดียวทำอะไรไม่ยืดยุนต่อกันไม่อารุมอารวยกันเกิดขัดผลประโยชน์กันขึ้นแล้วก็หาทางทำลายอีกฝ่ายหนึ่งให้ย่อยยับลงไป ในที่สุดก็เลยเดือดร้อนกันไปทั้งสองฝ่ายนั่นท่านเรียกว่าทุวิชาโนปราพาโวผู้รู้ชั่วเป็นผู้ชิบหายเงินทองหามาไรมากมายก็ไม่ได้ใช้จ่ายตัวก็ตายไปผู้ไม่ตายก็ไปติดคุกติดตลางทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นภาคลูกภาคเมียภาคพ่อภาคแม่ไปเออ นี่แหละความรู้ชั่วมันย่อมนำมาซึ่งความจบหายทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้า <c oughs> ดังนั้นในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธได้มานับถือพระพุทธศาสนาได้ปฏิญญาจนถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกแล้วก็ดีหรือได้มาปฏิญญาจนขอ บวชในพุทธศาสนาเป็นสาวกของพระภูมิภาคเจ้าอย่างนี้แล้วนะเราไม่ควรที่จะนําตนให้ไปสู่ทางแห่งความผิบหายอย่างว่านั้นไม่ควรจะไปรู้อำนาจแก่ความโลภความโกรธความหลงเหล่านั้นคนรวยมันก็ตายเหมือนกันคนจนก็ตายเหมือนกัน เรามานึกถึงความตายเป็นอารมณ์แล้วมันก็ทำให้ความโลภความกระหายอยากรวยอยากได้อะไรหมดนะั้นมันเบาบางลงแล้วก็มานึกถึงบุญวาสนาบารมีของตนประกอบด้วยก็เคยพูดบ่อยๆเรื่องอดีตกับปัจจุบันหรืออนาคตเนี่ยมันเกี่ยวยงกันบางคนก็ว่า ปุ๊บับก็ว่าเรื่องบุญเรื่องกรรมแต่ในชาติหนนหลังอออย่างนี้แล้วก็เอาแต่ชาติหนหลังมาอ้างแล้วปัจจุบันนี่ไม่มีค่าอะไรหรือบางคนก็อาจจะเห็นไปอย่างนั้นพูดไปอย่างนั้นก็มีผู้ที่เห็นไปอย่างนั้นมันก็เคลื่อนค้าด จ, จากคําสอนของตัวเจ้าอืมแม้แต่ถึงทำชั้นละเอียด ท่านปรมัถ ธ, ธรรมพระศาสดาก็ยังทรงสอนไว้ในอนัตตลกนสูตรมา น, น, นะรูปที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดียากก็ดีละเอียดก็ดีมูนี้น ะ, ะก็ให้สั ก, กวิ์กแต่รูปไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาลองฟังดูสิพระองค์ยังให้เท้าถึงรูปที่เป็นอดีตที่ล่วงมาแล้วนั่นไนะ แม้ความดีความทั่วความดีก็เหมือนกันนะในธรรมะหมวดสี่นั่นนะ่ะที่กล่าวไว้ว่าปุเพกะตะปุญญาตานะความเป็นผู้ได้ทำความดีไว้ในปางก่อนทำสี่อย่างนี้ดุดล่อรถนำไปสู่ความเจริญนี่แสดงว่าพราะองค์เจ้าทรงสอนให้นึกถึง อดีตหนหลังความเป็นมาแห่งชีวิตของตนแล้วก็มาเทียบปัจจุบันความเป็นอยู่ในปัจจุบันนี่แหละมันชี้ถึงชีวิตที่เป็นมาในอดีตอปัจจุบันนี้ตนมีความสุขความทุกข์อย่างไรมันชี้บอกว่าในชาติก่อนนั้นตนได้ทำความดีความชั่วมาอย่างนั้นแหละอเพราะฉะนั้นมันจึงมาปรากฏผลในปัจจุบันนี้ี่ ผู้ได้ะระลึกได้อย่างนี้รู้ได้อย่างนี้ก็ปรารถนาอยากให้มีชีวิตเจริญรุ่งเรืองไปกว่านี้ก็พยายามเว้นจากกรรมมันชั่วแรวันนี้นะก็มาคํานึงถึงตัวเองว่าที่ตนเองไม่เจริญรุ่งเรืองเท่าที่ควรในความเป็นอยู่นี่ก็เพราะแต่ชาติก่อนตนมัวเมาประมาทเพิดเพลินไปแต่ในการมกุศลไม่เอาใจใส่ในการบุญกุศล ไม่ขยันทำการงานโดยทางที่ชอบคนเราเมื่อไม่มีเงินมีทองเข้าของอะไรแล้วมันก็ไม่มีแก่ใจที่จะทำบุญให้ทานไม่มีแก่ใจที่จะไปแผ่เมตตาจิตต่อใครต่อใครเพราะแต่เมตาตาตนก็ยังไม่ไหวแล้วช่วยตัวเองก็ยังไม่ได้แล้วอย่างนี้นะแล้วมันจะไปช่วยพวกอื่นได้ยังไงอ่ะไปจะทำบุญให้ทานได้ยังไงอ่ะ ถือว่าเกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วก็ตามถ้าชีวิตของคนนั้นอับเสาอยู่อย่างว่านั่นนะมัวเมาประมาทเช่นนั้นนะก็ไม่ได้ทําบุญทําทานนแต่ชาติก่อนนู้นนะทําก็เพียงแต่ขอไปทีพอวันนั้น น, นิดนิดหน่อยหน่อยเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อเกิดมาในชาตินี้บุญนั้นมันก็ตามมาให้ผลนิดนิดในหน่อยไปพอวันนั้นนะและอย่างนี้เมื่อบุญ กุศลผลหลังของตนมันมีน้อยแล้วอย่างนี้ตนจะดิ้นลนหายัางไงจะให้มันร่ารวยเหมือนอย่างคนเขามีบุญที่ได้ทำมาแต่ก่อนมากนั่นนะทายังไงมันก็ไม่มีทางจะเป็นไปได้ถ้ามันเป็นไปได้มันก็รวยด้วยกันทั้งหมดสิคนเราอะ่ะเพราะว่าหาเหมือนกันนี่บางคนก็เรียนรู้เหมือนกันปริญญาตรีปริญญาโท อะไรไปโ น, น่นอ่ะแต่แล้วก็ยังยากจนขนแค้นอยู่นี่บางคนก็ร่ํารวยขึ้นมานี่มันไม่ไม่ใช่เป็นเพราะกรรมในอดีตเหรื อ, อถ้าเาไม่ต้องอาศัยกรรมดีกรรมชั่วในอดีตแล้วคนเรามันก็เป็นเหมือนกันหมดสิถ้าเป็นสุขก็สุขเหมือนกันถ้าทุกข์ประทุก์เหมือนกันหมดถ้ามีอายุยืน ยาวนานไปถึงร้อยปีก็ต้องร้อยปีเหมือนกันหมดจึงตายแต่นี่มันไม่เป็นเช่นนั้นนี้เรื่องมันนะมันลดหลั่นกันอยู่เงี้ยเราก็เห็นกันอยู่แล้วนี้นั่นเพราะอะไรเล่าก็เพราะอำนาจแห่งบุญกรรมบาปกรรมที่แต่และบุคคลทาออกมามากหรือน้อยกั่วกันนั่นเองเนี่ยมันมาทําให้ชีวิตของคนเรานั้นมันสั้นมันยาวกั่วกัน แต่พระพุทธเจ้าเขาตัดสั่แจ้งในปฐมยามพระ อ, องค์ก็ยังทรงระลึกชาตินุนหลังคืนหลังไปเรื่อยๆไปนั่นลองคิดดูสิทำไมว่าจะไปไม่ทำหนึ่งถึงเรื่องอดีตอ่ะระลึกคืนหลังไปก็เห็นว่าพระ อ, องค์ชาตินั้นเกิดเป็นอย่างนั้นมีความสุขความทุกข์อย่างนั้น มีสติมีปัญญาอย่างนั้นมีอายุยืนยาวนานขนาดนั้นก็ทรงรู้ไปตลอดเลยนับเป็นล้านเป็นโกรชาติหลายกลับหลายกันคืนหลังไปนู่นก็ทรงรู้ไปตลอดเลยนี่เนี่ยแสดงว่า ไม่เฉพาะแต่ชีวิตของพระองค์ไงท่องเที่ยวมาในสงสารเมื่อชีวิตของบุคคลผู้ไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อก็ท่องเที่ยวมาในสงสารเหมือนกันแหละกับพระพุทธเจ้านั่นนะมันต้องเข้าใจอย่างนั้นทีนี้ผู้ใดไม่สนใจในการเรียนการรู้ไม่สนใจในการฟังเมื่อก็ไม่ได้ความรู้ที่ถูกทาง การฟังนี่ถ้าไปฟังกับบุคคลผู้มีความเห็นผิดก็เอาอีกแหละบทนี้นำกันไปในทางผิดอย่างนี้อ่ะแนะนำให้ไปไหว้เทวดาอินพรม้มแนะนำให้ไปบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆแนะนำให้ไปผูกดวงดูดวงอะไรต่างๆหมู่นี้นะ อันนี้ไม่ใช่ความรู้ในพุทธศาสนาอันนี้ความรู้ของพวกพราหมณ์มันยะาศาสนาความรู้ของาศาสนาพราหมณ์เพราะฉะนั้นเราชาวพุทธจะเอามาปนกันถ้าเอามาปนกันแล้วมันก็เหมือนอย่างเอาเกลือมาปนกับพิมเสนนั่นเองแหละอืมันก็มีรส แปลกประหลาดออกไปแล้ววันนี้ทั้งเค็มทั้งหวานเลยไปอย่างนั้นแหละอันนี้เหมือนกันนะถ้าหากว่าเราไม่ได้เอาความรู้ทางอื่นมาปนเปกับความรู้ในพุทธศาสนาแล้วเราปฏิบัติไปตามทางที่พระพุทธเจ้าแสดงสั่งสอนนะเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเราทําดีย่อมมีความสุขเป็นผล เราทำชั่วย่อมมีความทุกเป็นผลเท่านี้แล้วเมื่อเกลียดต่อความทุกเราก็หาทางเว้นจากกรรมอันชั่วที่พระองค์เจ้าทรงบัญญัติท่ามไว้นั้นเมื่อพยายามเว้นกรรมมันชั่วนั้นได้ทาแต่กรรมดีไม่เกียดคร้านทำคุณงามความดีทั้งทางโลกทางธรรมเช่นนี้แล้ว ชีวิตของผู้นั้นมันก็เปี่ยมไปด้วยบุญด้วยคุศสนเปี่ยมไปด้วยคุณพระรัต n a ปลายอันประเสริฐเป็นที่พึ่งไปเป็นผู้เจริญด้วยความรู้ความฉลาดรู้แจ้งในชีวิตนี่ตามเป็นจริงชีวิตนี้หรือว่าร่างกายสังขารนี่อาศัยบุญกรรมบาปกรรมที่ตนทํามาแต่ก่อนน่นมันตามมาตกแต่งให้อาศัยาธาตุของมารดาบิดาประกอบกันเข้า อส่วนบุญกุศลนั่นแต่งตาแต่งหูแต่งจมูกแต่งลิน้นแต่งกายตกแต่งอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายให้แต่อาศัยธาตุของมารดากับบิดาผสมกันเข้านี่เราต้องอ่านให้มันรู้เรื่องเหตุปัจจัยแห่งชีวิตคนไม่มีบุญไม่ได้เกิดมาเป็นคนพวกมีบาปมันก็ไปเกิดกับสัตว์สิ่งเดรัจฉาน หรือไปเป็นเปรตหรือไปตกนรกอ่าผู้มีบาปติดตัวมันต้องไปอย่างนั้นหรือผู้มีบาปติดตัวไม่มากมาเกิดเป็นคนก็เป็นคนไม่สมบูรณ์มีอวัยวะร่างกายบกพ่องเช่นตาบอดหูหนวกมาแต่กำเนิดเป็นต้นเหล่านี้นะนี่เรียกว่าคนมีบาปติดตัวมาเกิดมันก็เป็นเช่นนั้นเลยชีวิตนั่นอาภัพ ทำคุณงามความดีอะไรก็ไม่ได้ดังนั้นทุกคนให้มามองดูตัวข้างตัวเองว่าอวัยวะน้อยใหญ่อันนี้นะ่ะบุญกุศลตกแต่งให้ครบถ้วนบริบูรณ์ดีแล้วอย่างนี้นะเราควรภาคภูมิใจออย่าไปภาคภูมิใจอยู่เปล่าๆเร า, เาต้องใช้กายวาจาใจอันนี้ทำความดีเข้าไปเว้นจากความชั่ว ไปเรื่อยๆทั้นอย่างนี้แล้วชีวิตของผู้นั้นก็ย่อมเป็นผู้เจริญสมดังพุทธภาสิต ท, ที่ยกขึ้นเบื้องต้นนั้นแหละ ว, วา่าสุวิชาโนภวังโหติผู้มีความรู้ดีเป็นผู้เจริญนี่ จเจริญอันนี้หมายถึงจเจริญในกุศลธรรมอันเป็นส่วนโลกีโดยอาศัยที่เราบำเพ็ญบุญกุศลอันเป็นส่วนโลกีนี่แหละให้มันจเจริญขึ้นจนอิ่มตัวแล้วอย่างนี้นะมันก็จะก้าวขึ้นไปสู่โลกุตระธรรมได้กว่านี้นะมันเป็นอย่างนั้นถ้าบำเพ็ญกุศลธรรมอันเป็นส่วนโลกีนี่ ยังไม่อิ่มตัวแล้วมันก็ยังก้าวไปสู่โล ก, กุตรธรรมไม่ได้ตามปกติคนธรรมดาสามัญ น, นี่ก็ย่อมเห็นร่างกายนี้ว่าเป็นตัวเป็นตเนตเป็นเราเป็นเขาอยู่อย่างนั้นแหละมันจึงหวงแหนเมื่อมันสำคัญว่าร่างกายเป็นตัวเป็นตนตแล้วอย่างนี้มันจึง สร้างความโรคความโกรธความหลงขึ้นในใจมากมายแล้วถึงได้เบียดเบียนกันทำลายล้างผลาญชีวิตของกันและกันก่อทุกข์ให้แก่กันและกันไปอยู่อย่างนั้นนี่คนธรรมดาสามัญทั่วไปย่อมมีทั้งความรู้ดีความรู้ชั่วคนเปนกันไปอยู่อย่างนี้บัดนี้เมื่อบุคคลทาบุญกุศล ให้เจริญงอกงามขึ้นในใจจนว่าทำใจให้สงบระงับตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณได้ด้วยดีแล้วเช่นนี้ก็มามองพิจารณาดูร่างกายสังขารอันนี้ให้เห็นตามสภาพความจริงอย่างพระอริยบุคคลท่านเห็นกัน มองดูนับเส็บผมขนและบฟันนังเนื้อเอ็นกระดูกเหล่านี้เป็นต้นไปจนตลอดอาการ32แยกแย่ออกดูแล้วแล้วมาถามใจตัวเองสิว่าตรงไหนที่เป็นตัวเป็นตนอะที่มันหวงนักหวงหนาไม่ยอมให้ใครดุด่าว่ากล่าวอะไรเลยนั่นอะมีหรือตัว ต, วตนอยู่ตรงไหนอะ่ะเมื่อเพ่งดูจริงจังเข้าไปแล้วก็เห็นว่าไม่มี น, นั่นเอง ที่ว่ามันมีตัวตนนั้นเพราะมันหลงตังหากมันไม่รู้แจ้งมันไม่ได้พิจารณาอถ้าเพ่งพิจารณาเสมอเสมอไปแล้วมันก็ต้องเห็นว่าอัตภาพร่างกายอันนี้ไม่ใช่ตัวตนของเราเราไม่ได้มีอยู่ในตัวตนอันนี้ตัวตนร่างกายอันนี้ไม่ได้เป็นตัวเป็นตนอะไรเป็นแต่สภาวะธาตุประชุมกันอยู่ อาศัยบุญกรรมหล่อเลี้ยงไว้ก็จึงคุมกันอยู่ได้นี่เมื่อหมดบุญหมดกรรมนี้ลงไปแล้วธาตุเหล่านี้ก็คุมกันอยู่ไม่ได้ต้องแตกทำลายลงความจริงมันก็มีเท่านี้เองนะแล้ววันนี้ผู้บาเพ็ญสมาธิภาวนาทำใจสงบได้แสดงว่ามีบุญกุศลอันเป็นส่วนโลกีนะ่ะมันมากสมควรทีเดียวแหละ จิงบาเพ็ญสมาธิภาวนาทําใจให้สงบลงเป็นหนึ่งได้แถมมาเจริญปัญญาเพ่งพิจารณาร่างกายนี้เข้าไปจนเห็นแจ้งว่าไม่ใช่ตัวตนเราเขาอย่างนี้แล้วมาพิจารณาถึงข้อวัดปฏิบัติหมลีว่าเป็นทางพ้นทุกข์จริงไม่สงสัยเลยทานศีลภาวนานี่เป็นทางไปสวรรค์ทางไปผนิพาน์ ศีล ส, สมาธิปัญญาหรือมรรคมีองคแปดโมเนียเป็นทางไปพระนิพพานโดยตรงเลยทีเดียวแต่ถ้ า, าว่ายังไม่ถึงพระนิพพานก็มีสวรรค์เป็นที่ไปอันนี้ผู้ภาวนาพิจรารณาเห็นแจ้งอย่างว่านี้ไม่สงสัยข้อปฏิบัติเหล่านี้นั่นแหละไม่ลูบคลำเลยตั้งหน้าทำจริงๆให้ทานก็ตั้งใจทำจริงๆ ทำด้วยความพอใจแท้แทรักษาศีลก็ตั้งใจรักษาจริงๆมีสติสัมปชัญญะกำกับอยู่กับตัวตลอดเวลาไม่ให้พลาดไม่ให้เผลอ